ก็ขุดได้เสือเนี่ยดูดุไดนะ้ใครใครใครสวนเสือนะก็คนตรงนี้ก็สามารถเต้นรํากับเสือเสือตัวใหญ่เปนสองเท่าก็เต้นรํากับเสือให้เสือเอาขาสองขาหน้างเกาะคนที่เต้นราด้วยตัวนี้เดียวเสือตั้เลยเรีวยกว่า้าฝากหัวเข้าไปปากคนที่เสือยืนสองขา เขาทำได้ผมว่าเสือเนี่ยไม่เก่งฝึกเก่งคนกเสือแต่คนฝกเสือเนี่ยตัวเองไม่ได้เชเพราะนั้นาาการที่เจะฝึกรืองามอย่างที่เนี่ยอบรมสมาธิบางเราอบร ม, ไ, มได้ความรู้ได้ประโยชนรับอันนี้นยังยังไม่ดีเทที่ควรเพราะว่าเราไม่มีความรู้ ไม่ดีในเรื่ในตัวเราเการสอนก็จะไม่มีความมั่นอกมั่นใจแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วมาฝึตัวเองให้มีความรู้เกี่ยวเรื่องสมาธิเกี่ยวเรื่องธรรมะให้ดีขึ้นในจิตในใจแล้วเนี่ยการเอาผู้เป็ น, อนอสอเนี่ยสบายมันเกิดความมั่นใจต้องผ่านตัวเราเองให้มีประสบการณ์ทั้งทางผู่ทางผิดแล้วก็จะนํำไปแนะนำเนี่ย คเช่วสอนเนี่ยไม่ละเราฝึกเก่งไม่เคทําผิดพลาเลยไปสอไม่เกสู้บนที่ทำผิดทาผิดแล้วเรียนอเนี่ยนี่สอนที่ผิดนะคือจะเห็นที่ผิดแล้วก็เปลี่ยนสอนให้เาถูก้องนครับอุปนิยมเเพราะฉะนั้นการฝึกทสมาธิมันฟุ้งบ้างมันเครียดบ้างมันขี้เกียจบ้างมั น, มมนม่วบ้าง มันเบื่อมัอ่งโคดีประสบการณ์นี้ะ mm. ที่นี่ถ้เราไปปิดสอนคนอื่นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นอย่างไรหรือก็เป็ น, ปนไม่ด้เราแต่เรามีวิธีการเอาชนะความฟุง้งคิดโง่ใหญ่ไม่ได้ย่างไรเรามีวิธีการเอาชนะความวุวนมีวิธีการเอาชนะความขีเ้เกียจเราทํำได้ย่างไร เราสามารถ บ, บอกเขได้เพรานะนั้นการฝึกแต่ละกลางเนี่ยฝึกสมาธ่แต่ละกลางเนี่ยมันเป็นการฝึกตัวเองให้นีเพื่อนเพื่อนเลยมันเป็นชีวิตามว่าวิชาไหนเนี่ยไม่สำคัญตลอดวิชาฝึกจกิตฝึกใจเนี่ยเป็นวิชาเองเลยที่ควรจะฝึกก่อนที่จะเรียนวิชาทารวิชาการด้วยซ้ำไปวิชาการจะฝึกตังก้งสมาธิใจดันั้น จิตต้องเป็นแบบประปักษ์ถ้าจิตมีตัณหามีความอยากได้มีความคึกเศร้าุกงุดหงิดเนี่ยมันรับวิชาการไม่ได้ดันั้นจิตต้องฝึกแต่ที่จิตเนี่ยจิตนี่ต้องฝดกนะจิตก็มีอยู่แล้วอนีิสัยเราไม่มีต้องฝึกหักดับนิสัยจิตเนี่ยโดยธรรมชาติมันก็สงบเขาสมบอยู่ก่อนนะ แต่สายเราเนี่ย ม, มักจะทํำติดแพรสมะบแล้วยิ่งไปทําความสะบบมันก็ยิ่งไม่สมบูรณ์ไปทําความสะบบนะและจะสมบูรได้ไงเป็นอย่างเราเขานั่งเขียนเขาเขียนว่าปิดวาจาแต่ถ้าเราไปพูดเนี่ยทุอยากเป็นปกติแต่พอใครพูดเป็นมาเรื่อบอกเขาเธอมปิดวาจาสิเราก็ต้องบอกเขาปิดวาจา ให้คำที่เราทำขึ้นมามันทำให้วาจ า, าเป ล, ละะเี่ยนเพราะนั้นในที่นี้มาสงบอยู่นลถ้าทุกคนไม่พูดวายไม่คุการทุกนนยทยนะอย่างเป็นกติเศราที่นี่เห็นไหมมันเป็นปอยู่แล้วใจเราเป็นเหมือนกันใจทุกค น, นมันสงบอยู่วสงบอยู่ก่อนก่อนที่จะมาคิดมาปรงแต่งมสภาพมขึ้นมาเพราะนั้นรักษาพว่าจะเป็นอย่างนกันไว ก็เป็นสมาธิที่ดีที่ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าทาขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สง บ, บนะต้องรออันนี้เป็นเคล็ของการเข้าใจธรร ม, มชาติของจิตแต่ธรรมชาติของจิตเองมันต้องคิดใช่ไหมถ้ามันคิดก็ป่อยมันคิดนะั้ป่อยผ่านไรความคิดเดี๋ย ม, นะ ม, ม, มันก็เกิดขึ้นก็ไความสงบก็เกิดขึ้นเราพยายามไป้ามความคิดไม่อยากใันคิด ไอตัวหน้าตัวไม่อยากเป็นปวรให้มันคิดปล่อยให้คิดแล้วนกระดับไปเพียเแต่เราอย่าไปบรรทัดกระดับในธรรมชาติเพียงแลก็ไดระดับะว่าปกติของี่ที่มันสบมันก็เกิดอะไรนี่ไม่ได้มชีวิตมาเลยเพียงแค่การเรียนรู้รับรู้แล้วเรได้ความรู้ต่อไปก็ได้ความรู้แล้วก็ไปแจกความรู้ กระเพิ่อมวางรแเราก็เลยตาแล้ ว, ล ด, ลวดูมีคาถามที่ก็บอกว่าชีวิตคืออะไรเวลาของูดอย่ไหนผมจะพูดระัผู้ชีวิตเนี่ยเรื่องตัวเราเนี่ยพูดแล้วแก้ปัญหาตัวเองได้พูดแล้วดัทุกข์ตายมีความมีประโยชน์ ช, ชีวิตชีวิตที่คืออะไรก็จยยึดคนี้ไหเราเจ้าของชีวิตเราเองเป็นเจ้าของชีวิตนะ เราไม่ว่าชีวิตคืออะไรอันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่ายากปากข้อชีวิ ต, ตอะไรคําตอบนี้ยากอะไรสมัยก่อนสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นผมบังเกิดชอบคําตอบว่าชีวิตคืออะไรถาว่าชีวิ ต, ตอะไรก็ตอบมีคำตอบว่าชีวิตคือการต่อสู้โอ้อขอคำอกษากับเรชีวิตคือการต่อสู้ ศัตูพิยามกำลังในโลสู้กันจะไหนเือตูพิยามกำลังที่มันมนนนีความหมายที่ประทับใจมากชีวิตติดการต่อสู้เราใช้ชวิตสู้แล้วก็เกิดตัตายสู้มาเรื่อยจนกระทั่งร่างกายแก่ก็ต่อสู้ความแก่แล้วมันก็ต้องแก่แม้เด็เกใครจะป่วยจะต่อสู้นะ ต่อสู้ความเจ็บไข้เดดปวยมันก็ต้องปบางทีมันก็หายปัญหาจากโรคนี้ก็เป็นโรคใหม่ก็ทั้งตายสู้กับจบตายต่อตายสู้นะโอสู้เลยบทีมีตัวช่วยนะคุณหมอตัวช่วยช่วยใช้อุปกรณ์การแพทย์ยาลกตายาลูกตาต่อสู้ตัวทั้งที่งานยู่ท้ายอาศัย ท็จเลยต่างกันแค่รุ่้ายก็ต้องตายอันนี้จะตายอย่างสมบูรณ์ถูกจิ้มงแทนเลยไม่สมบูรณ์นะออนะเนี่ยที่มีการต่อสู้สู้ไปจนตายแล้วก็ไกมไ่พอจพวี้ก็เช่นเดียวกันนะตัง้งแต่เป็นเด็กๆเนี่ยนะผมต่อสู้ทิ้ดเยเี่ยมันเป็นลูกชายมันต้องสู้สู้เป็นเด็กต่อสู้อย่างเด็ก ไวัยรุ่นวัเรียนก็นสู้มาเลยสู้จนท่านทำงานแล้วนร่างา ก, กายที่การต่อสู้มาท่านร่างา ก, กายทพิการชนะมาไม่เสร็จยินซุยนะ่แสู้จนร่าง ก, กายที่การแล้วพิการเลยสู้ต่อยนะเนี่มันต่อสู้ให้สู้ต่อยต่อสู้ความทวบคุร่าง ก, กายพิการเที่ออกเอาตัวเองรักษาก็จะให้มันหายทพิการ แพทตางเลือด แ, แพ่แผนปัจจุบันสารพัดอย่างในการรักษาสมัยก่อนเราิมแพทย์แผนวราณและแพทยางเลืดแผนโบราณบีบนวดกินยาหม้อลดน้ำมันต่ อ, อ, อ, อชาตาไปหาหอชาวบ้านก็บอกเนี่ยเลือดตกไม่ดี ไปหาหมอผีเพราว่าผีเข้าไปหาขอพระเพาะว่าเป็นกรรมไปหาหมอดูเพราว่าดวงไม่ดีมันไม่เห็นทั้นั้นนะมันไม่เห็นตัวสักอย่างหมอเขา้าทรงมันปีจ้าเข้าสง่งทุกอย่างรู้รักษาหมดเลยกระทั่งรักษาแบบนวดน้ะมันเสร็จนวดน้ำมัน น, น้ำมันปลาป้าโดนดโนดเสร็จแล้ว ก็ไปน อ, อนในคือโตืนะ่นเร้ายืเอ็ตัวเราเนคนที่ว่าเราโชคดีนะที่มันเป็นความรู้สึกยืดก็ไม่นเด็กเอาผมเก็นแพงก็ไม่เด็กหนาล้นก็ไม่รู้สึกครับคิดว่าดีวัดขึ้นมาดึงตัวไม่รู้สึกต้องดึงแรงจะนุ่งตัวจริงก็สว่านะขึ้นมาถึงนี่เลยไปไปรับคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ทำอะไรไม่ถูก ว่าเลยร้างขึ้นเต็นตัวเลยคือแม่ทาอะไรได้ถูกช็อกตกใจทงไนก็พยายามทำไรไล่เนื้อตัวเลยปวดเลยเล็นแผลแงต่างเรื่องเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังทีใช้แบบเขยช่อมวกั้ยช่อมวกป็นจะมีสีแน่ก็อิ้มแล้วมันก็จะสั่ตาเื่นเรื่อยต้องให้เรื่องกระติบๆนะ ได้ดูน้ำันมอเขไปไม่หายนะเชื่อวเวรักษาร่างกายเพื่อร่างกายเนะี่ยมันหายเป็วกว่ปกติมุ่งแก่รการเมื่อากายไมนะ่หายใจยก็ยังทุกนะเป็นทุกข์วอกว่าทีา่ว่ารักษาที่นี่คงจะหายก็ผีกหวัาขานาดไปหาหมอต่างๆหมอเข้าทรงต่างๆแต่ตาเ คุณต้องมาสามคังแล้วคุณจ่ายโอไปครั้งแรกเลยเสียงนไปแล้วกลับมาไม่มีอะไรเดือดขึ้นอ่ามาเลยต้องสองครั้งครั้งสองคุณดีขึ้นอ่ะครั้งสองไปไปถึงปั๊บตำวดมารอแลยคุณมาทาอะไรถ้าบมมาถามาขอขอเขาก็มีเบี้ยคนมาทาไมหมอถูกจับไปแล้วอ่า ของค้งคัที่สองไปรักษาเห็นไหมแต่งปอยซะสองครั้งต้งเลยน <c oughs> ่ย <c oughs> ไไาพระมหาหมอพรกหมอพระที่ท่านก็มีความรู้เยอะเรื่องสมุนพรที่สลัดดีแต่ในแห่งนี้หลายท่าแต่แตจังหวัดนะแห่งนี้เปไ็นจังหวัดหนึ่งที่ผมไปรักษามู่ผม ไ, ไม่มีบ้านอาศัยบ้านที่หมอไหนก็ข้าไปแล้วอยู่กับเามีบ้านคนชาวเรือไม่มบ้า หมอลเนี่ยจะรักษาแบบใช้สูญไฟถังนอแล้วก็เปิดปุ่มแบบปูไว้ตรงเบอกเนี่ยศูนยรวมองการเคลื่อนไหที่หน้าท้องเหลือสตือสองนิ้วโดยการเอาใปตองอาเบนตองวาแล้วก็โขกไฟโขกไฟจะเอาไฟนี่มาที่หน้าท้องนะแล้วก็เอากระดูกทิ้งเส้นวาจุดไฟโอ้โห้ไฟ เขาบอกอีกที่ว่าเอาไฟมันลุกน้วเนี่ยมันทำให้ใครน้ำไอ้นันไหลในการสมาธิทำให้เส้นหน้าท้าองนอทที่มันหย่อนทำาึงเจ็ดวันวันที่แปดพ่อไปซื้อย า, าทุบรถชนไปเจ็ดวันไม่ไหลอเจอหมอที่ว่าใจหน้าโอ้โหรากใหญ่มาก อยุประมาณ30กว่าตอนนั้นผมายุประมาณ 25-26 เนีายโอกร่างใหญ่หมอเนี่ยชื่อหมอเที่ยงหมอเที่ยแจะรักษาสาเวลานะเช้ากลางวันเย็นชื่อหมอเที่ยมีนวดผมเนี่ยเส้นจงนะจะดึงให้เด็นเส้นขบอกแน่ชันๆเลยดึงล้ก็ดึงยู่สองวันผมเป็นไข้หนักใจไม่รู้สึกแ่ดึไม่รู้สึก วอเราไม่รอมอ้งองเบาๆก็แกร์เราร้เบาๆอยู่แล้วถึงน้าถึงนะาดึพอวันไปคัาที่สามว่าหมอตายละเออตายจิงนที่หมอเที่ยง น, นะเป็นลมตายราายย่างกายยังไงไม่อย่ผมตัวตัวนะเพราะบางทีต้อไปกางวลผมที่ยวร่างกายเพราะหวังว่าจะได้มาายแต่ไม่หายใจนี นี่เป็นการต่อสู้ที่ที่มันไม่มีทางชนะนเลยต่อสู้กับกฎของธรรมชาติด้วยความโง่เขลาองเขก็เลยคิดใหม่เลยกลับมาว่าถ้าเราถือต่อสู้แบบนี้เราคง็ต้องเป็นผู้เป็นตัวตายก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่หันกับสนใจวัวเราเรามานะแพย์แฉกใหม่แพทย์ลางล้ <c ười> อล้อทางด้านจิตใจแหะ การทาง ede, ไม่ดีไม่น่าเลือกและววดเร็ไปหนแล้วการรอดรอดทางจิตใจร่างกายเนี่ยขอกดค้างรักษาคุณหมอท่านบอกว่าอาการของคุณจําคนเนี่ยต้องหมอเทวดาหมอเทวดารักษาแล้วอาหาที่ไหนล่ะหมอเทวดาก็เราเที่ยวหาหมอเทวดามา้ไม่เลยก็เลยบอกว่าเอาธรรมะโคตรสูงเนี่ย <f lex fails problem> ยาเป็นแพนทย์ทางโลกธรว่าโอสถเรียกว่าเป็นเป็นยาสามาัญประจำใจเลยไม่ใช่เปาประจำใจในะครับคือการปฏิบัติธรรมในสภาพษชษีวิเนี้จะเป็นจัดทำได้ศึกษาเรียนรู้จกักรยาเยอะพลังไหนว่าดีาก็อ่านอ่านอาจารย์ทุกท่าหรืงพ่อชาลุงโอ้มั่นหลเตียน ภาวสุขาทุกลู่ทุกงกงเน้นเรื่องปฏิบัติธรรมให้เป็ฏิบัติให้จริงเพื่อจิตในใเราจะเป็นต้องอาศาาัยการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาจิตใจในยามที่ร่างกายที่การก็คือการปัดเตลิติปฏิบัติธรรมแบเตลิตสติบบปัฐานสี่เป็นหลักธํามคำสอนในการพุทธศาสนา ใช้วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคราบอยู่ที่บ้านไม่ได้ติดที่วัไม่ได้มาในกาบา ร, รโยกลุ่มนี้หรอกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนถ้รารู้จักนะผมก็ไมได้เจอตัวจริงรู้จักกันนะเฟรมมาอ่านโดยแม่หลวงพ่อเทียน่ริงตุ้นออโน่นสอนเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไม่ทราบว่าใคยุงให้ท่านเป็นอารมาจารย์ในการเจริญส <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าท่านว่าากไปแล้วแต่ว่ามีหู้ง่อคำเขียนเนี่ยวัด ป, ป่าสุวรรณตจังหวัดเชียงครูอาจารที่สอนเรื่องการเจริญสติในขนาดนี้ติดต่อมาท่านท่านก็สอนว่าคนพิการเนยจริญสติได้นะปฏิบัติทำแบัรทุก็ได้ด้วยไม่ต้องอ่ที่วัดนะนอนอยู่ที่บ้านคือยาบทต่ า, างๆที่เรามีอยู่ในของมันใช่กันได้ห สี่ผมส่มากจะนับงยืนเดินยัไม่ได้ถ้าเขาบอกว่านอนตลอสติให้นอนทิศมืองายทิศมวางให้มีสติตารู้ไปนะเมื่ทิศมือกวางปรกใจด้วยขวาค่เดียวนะหรือซ้ายอย่างไม่ใช่แค่ไหนที่มือวาก็ให้รู้สึกตที่มหงายให้รู้สึกนะ ให้มีความให้มีสติเข้าไปรู้ให้รู้แบบตรงนะรู้นะด้วย้วามสึกประจริตเข้าไปสัมผัสไม่ใช่ดูในตาเอาความรู้สึกปิเไปสัมผัสสัมผักรู้ให้รู้ดีมือการเคลื่อนเคลื่อไไหวรู้แบบสบายสบายอย่าไปเพ่งเยสบายๆไม่ต้องหับตา สบายอย่าไปสนใจกับสายตาสีหน้ารูปรู้สึกที่มีการเคลื่อนไหวให้ทําเล่นๆทาแบบสบายรู้แบบดูดูแบบแยกๆนะนะจะทำเรื่อยๆนะให้เรางทำอย่างนี้เมื่อรู้กายของกายในหลักของการเจริญเวลาเกิดความคิดกลุ่มแต่งเนี่ยทุกๆคนต้องเห็นเป็นธรรมชาติอย่าไปห้ามนะ อย่า ป, ประคับกันนะปล่อให้มันคิดแล้วเราก็รู้ามันคิดตารู้ว่ามันคิดนี่ถ้าความสติเป็นแข็งเนี่ยพอที่จะดับเมื่อคว่าคิดไนี่ยดับกลับมารุกากการเคลื่อนไหวจะไม่สูญเสียมันคิดไปด้วยสนใจกลับมาลุกสู่ตัวการเคลื่อนมันคิดรู้แล้วกลับมารุู้ตัวการขาึ้นไหวโ อ, า ก, า อ, ก, า อ, อาการเนยเป็นะไรเาเรียกว่าการยานุปัตนาสติปัฏฐานมีสติ ตั้งไว้ที่กายที่หลังเพื่อให้รู้อย่างนี้เวลามาเกิดความสงบก็อย่าไปเอามนะความสงบก็ไม่ติดกันนะให้รู้มันเรื่องควมสงบอย่าไปดีในความสงบพอรู้ตัวเด่นติดจะตื่นตื่นออกไปจากความสงบเห็นความสงบที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่าไปมุ่งเอาความสงบ แต่ให้รู้มันสงบเกี่มันอยู่เหนือความสงบอีกชันหนึงสงบก็มีอยู่แต่มีผู้รู้อยู่ในความสงบใช่ไหมถ้าเราทําสมาธิเนี่ยเราจะมีความสงบที่เงียบไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความสงบด้วยท่านสติรู้แล้วสงบแล้วเนี่ยควงมันมีอีกชั้นมีความรู้ตัวอยู่ในความสงบได้ได้สองงานสมาธิก็ได้สติก็ได้ดีเทจะเกิดเป็น สาัยการกันแนี้อยู่ในชีวมันเราเคลื่อนไว้แล้วเรารู้สึกตัวสั่นตั ว, ก, ตวก็เรามาทำตัวมันดีนะการเป็นสติตามรู้ตายเคลืนไหวเนี่ยมันจะเกิดสมาธิก็มีมสติเกิดเพื่อสมาธิจะเกิดสมาธิจะตั้งมัน่นทันทีจิตใจจะพุ้งซ่านกับอ า, ารมณ์ต่างๆอดีตอนาคตมันก็ตั้งมั่นที่การเลื่อนไหวของกาย กาที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันปลุกให้จิตมันตื่นไม่ง่วเห็นปะคนที่่ำสมาธิมั่วมันเคลื่อนไหวเลยปลุกไม่ทั้งหมดแผมนี่มันนอนทานอนไปทีบักนอนติดมือติดเตาริดมือเนี่ยมันก็มั่วนฮะแล้วเวลาเดินจงกรมมีม่วไหมเลยมั่วเลยหน้ามันมั่วเลยแล้วผมตอนเนี่ยมันมั่วสายการเคลื่อนไหว ต้นให้จ um ิตม e um ันตื่นจิตมันตื่นออกมาจากความง่ว้ทำมันวจากพุ่งเร็รู้ตัวเร็ยๆไมันก็ไม่งวดถ้ามันวดก็ฟุูถ้าง่วงอะไไม่พุงหรอกไงเยดีตั้งกู่นะคนที่ทาแล้วกกลับแต่อดีแล้วที่มันยังไมุ่้งคนที่พุ้งอดีนะมันไม่หมวดีตั้งคู่ให้เรารู้มา เพราะฉะนั้นท่านยิ้มว่าความวามคมาูความฟุง้งอะไรนั้นมันน่าอุานเหมือนกความฟุ้งทาให้นอนไม่หลับอ่านโดยโรคิตประสาทความวูบบ่ายๆทำใ้ซึมเศ้าปีไม่เจเลยแต่วกมันยังมีความสูงกว่ า, าสูงกว่าฟุ้งฟุ้งที่มันเละไปเรื่อยเพราะฉะนั้นท่าสองอย่างเนี่ยฟุง้งอย่าไปหาไอยู่กับปัจจุบันซะ ความ้น ko ี้ให้เกี่ยวกับจักรวาเกียกัอราคตอยู่กับจักรวกับการเคลื่อนไหวให้มันก็มฟุ้งได้ความม่วก็ตกใจตื่นปีนยาวบนทำให้ไวสติตามรู้กายเยมันทให้เกิดสมาธิอเกิดตั้งมั่นได้งแล้วก็จะไม่้ม่วติดเกิดตื่นแล้วเวลาเราเผลอเนี่ยมันมีที่กลับนะเราหลคิดไปเนี่ยถ้าเราไม่มีกายหลับเราจะคิด แต่งกลับให้คุ้มแต่ถ้ามีการเคลื่อนใหม่ของการเราคิดไปว่ากลับประตูกอักายเพื่อหม่มันคิดไปอีกก็กลับไปคิดไปแตเราดึงกลับนี่เป็นการสอนจิตว่านี่กลับมานี้กลับมานี้นะมันสอนลูกเราจะเที่ยวไหนไปแล้วกลับมาบ้านนะถึงเวลาก็สงสารกลับมาให้จิตเราหลงกันสอนให้มันกลับมารุกตัวกับการเคลื่อนไหวเรื่อยๆแล้วมันเถลอว่านี้ที่กลับแล้วมันทำให้เกิดปัจจุบันได้ม่ง่าย ปัจจุบันที่มือที่ตัวอารมณ์ปัจจุบันกับผู้ปฏิบัติสําคัญนะถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีอารมณ์ปัจจุบันมันก็จะคิดตกแต่งปัจจุบันที่การเคลื่อนไหวข อ, องกายคะิม้มรู้สึกเนี่ยมันเป็นปัจจุบันหายใจเข้ารู้สึกผมกว่าสายกายเนี่ยเป็นเครื่อนอยู่ยของจิตโดยมีสติผูกไว้แล้วก็มีสมาธิสะะนับสนุน มันก็ตั้งพักรู้อยู่ได้นานนอนพิษเบีสบายเลยต่อไปว่าเตรงไหนมันเคลื่อนไหวเอตรงนั้นมาปกสติพิษเบียดเดียวมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมากแต่เราทิพตาเลยทิพตาสติตามรู้ติพตาจิมันก็ไม่ไปไหนนะรับตไหนที่มันเคลื่อนไหวได้เราขัพยายามปกสติส่วนไหนที่มันควจะใช้ได้เราใช้เคลื่อนไหว ข า, าเี่นไหวไปได้แตก็ไม่อใช้ใช้ส่วนบนนี่มนไมนไส ต, ติมันก็ล่องลอยในร่างการไม่ไปไหนแร้วอยู่ที่ เ, เลต่ตัวเลยมันกลัวจอยท่ตัวเราเอยมันก็ป้องกันความคิดที่มันรงแตงให้เราอยู่ในระดัวธรรมดาทิศตั ว, ตวกร้รู้สึกถ้ากายเคลื่อนไหวกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นตาอาเอครู้กายธรรมด า, เ น, านเนี่ย มันก็ได้ความรู้นะได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องหองข่าวเราดูอะไรนานรู้อะไรนรานเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สิ่งนั้นแล้วของสิ่งอี้มาเนี่ยพระเบลละวานะตรงนเราคิดไปคิดมาเรารู้ว่าของนี้เป็นยังไงเรามีสติตามรู้การนานมันก็ได้ปัญญาจากการเห็นโอกายแสดงว่อไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็งไหน เห็นมันหิวเห็นมันเมื่อเห็นมันรอ้อนร่างกายมันรอ้อนหรืมันก็หนาวหรือมันก็อยากจะเปลี่ยนยาบดหรืมันก็กลับทายคือร่างกายเนี่ยมันก็บอกตกกลอดเวลาเลยแล้วก็มีที่เรียนรู้เรียนรู้การมันเคยบอกว่ามันสุดไปไกลมีแตเรื่องบอกของความทุกข์ทางเลือการผมดู ก, กายแต่ไม่ไเคยเยนินความสุ เมื่อใครดูการแล้วันความสุขก็ถึงนั่งนานเจ้าเหนื่อยหรือมันก็ต้องหายใจเข้าหรือมันก็ต้องหายใจออกไอที่มันหายใจเข้าหายออกนี่มันแก้ทุกนะมันแก้ทุกตัวมันเดี๋ยวก็ต้องพิตาการขัพิตาในการแก้เครียดคลายเครียดเกี่ยวกับรูการนะทุกอย่างมันแก้ทุกตัวเองหมดเลยเราเรียนรู้โหรการมันไม่น่าอยู่นะไม่น่าเข้าไปเป็นเจ้าของนะแล้วก็ ไปโจมมันมันสวยมันงามมนไม่ได้มันไม่ได้ดีทุกอย่างมีการขับทายของเสียเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วเด็ต้องกินอีกล้ทุกของการตัวเราอยู่กับของกายมันนีเรื่องความแต่เราไม่ได้เป็นทุกข์กับมันสติเวลามันเจริญมากๆเลยบรรดาเป็นผู้รู้แไรมันเจริญกมันจะกลายเป็นผู้รูไม่ไม่เข้าอยู่กับกายที่เป็นทุกข์เห็นกายเป็นทุกข์ แต่สติหรือตัวที่อยู่กับจิตเนี่ยมันเป็นแค่ผู้รับรู้รับทราบเอาไว้เห็นไหมมันแยกจิตเป็นเพียงแค่ผู้รู้ากายธรรมะที่ทุกข์แล้วก็เคลื่อนไหวมันเป็นรูปเป็นหลักกายที่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นรูปจิตที่ก็ไปรู้ด้วยสติเนี่ยมันก็เป็นหลักนะทุกคนมีสภาพอย่างนี้รูป ก, กับหลัรูปกับหาั กายเป็นไหวกายเป็นทุกข์จิตเป็นจริงแค่ผู้ร er <bye. imdi> ู้จริงแค่ผู้รู้ก็สบายเลยรู้ทุกกายเป็นทุกข์มันดูคนอื่นที่เป็นทุกข์มันดูคนป่วยจิตเป็นผู้ดูแลกายเป็นคนป่วยแย่ทุนแรงกายทุกข์ใจให้ทุกข์กายที่การใจได้ที่การใจเป็นิงแค่ผู้รู้กายป่วยใจไม้ป่วยกายแก่ใจไม่แก่ การตายใจไม่ตายไม่ไเป็นผู้ตายแต่เ็นผู้ที่เห็นความตาย <_ d ata> ทุกคนวันนี้อย่านี้มัอยู่แล้วแต่เร า, าก็มีสติเราขาสติษษขาดสมาธิจิตใจเรามีแต่ไปเลื่อนลอยไปตกแต่ง จ, จงตั้งยึดอวัยวะกายแจะเป็นเรามันก็ทุกไปเลยเวลาการเจ็บโหยใจก็เก็บเวลากายหิวใจก็หิวเวลาล้าหน่ยใจก็เครียด ว่าใจเราเปียถ่วงไม่มีสติแยกว่านี้คือปัญหาของกายนะอันนี้คือปัญหาของการไม่ใช่ปัญหาของกิตผมเองเนี่ยเรียนรู้กายก็วยควมเหนืมาเพรเวลาล่าการนั่นก็ได้พักผ่อนนอนถุบมนจะมีอาการร้อนในเหต่ากายก็บอกว่าร้อนในถ้าเราพักผ่อนน้อยมันจะร้อนในถามหาประเทศที่ไปแล้วท้องผู ท้องผูกเพราะว่าเราทาอาหารที่มันมีรสปัจจุบัท้องผูกอ า, ารที่ย่อยยากาอาหารประเนี้ไปแล้วท้องเสียอาหารที่สอบท้องทนท้องเสียทานอาหารที่มีสารคลเปิ้ท้องจะผูผกพวกน้นส้มเป็นต้นท้องผูกอาหารที่มีจุลินทรีย์ำให้นเรามีอาการแสบแสคือกายเขาบอกหมดเลยแล้วก็ก็การผมเนี่ยปรัชญาอุตสาหะอาเรื่องเราไรู้สึ ก, กว่า แต่เวลาเขาปวดปัสสาวะัขแสดงอาการว่าแดดปรดปัสสาวะแล้วอ๋อเขาบอกเขาบอกว่าต้านนะแต่เราไม่มีสติเาเรียนรู้ตัวเราเลยเราโมจะไปทุบไปเต่าอะไรานไม่เคยกลับไวดูตัวเราการแบบนี้นั่งปวัสสาวะการแบบนี้ปอุจจาระถ้าดูของแหลนที่แท้งกายอะไรองนี้น่งจะสั่นเวลาพกจับมันจะสัเวลากะเหยียบเท้าเราก็สั่น เขาบอกหมดเลยแต่เราไม่เคยเรียนรู้แต่เรามีสติแล้วเราอการก็เป็ยางตอกราทุกอย่างเวลามันวุ่นก็มีอาการที่เราเห็นคนที่มีสติเนี่ยกายวุ่นใจมันยังมันอยู่รุ่นบอลก็สสุกละครก็ตุ้นเต้นแต่การเราเป็ น, อ ย, ยงง น, นป อ, อย่างไะการต้องการจะพักหย่อนใจเราไม่ยอมเข้าถูกตัญหาเรารู้เรื่องหอนี่คืออาการของการนี่เลยรู้เรืเร่องกระแทง รู้สติได้ความรู้ว่านี่ไม่ได้ต่อสู้นะถ้าต่อสู้กมันก็ครับมันเดินก็ไม่ไเดินแล้วว่าเขาเขเาไปยังไงเกอะไรขึ้นจบเรื่องของกายหันมาดูเรื่องขิดจิตใจเวลาเราเจอสติได้เรื่อยจะตื่นรู้ตื่นมาจากความมั่วจากความคิดเห็นจิตเิ็นใจเราเห็นใจเรา ใจมองไม่เห็นหมดอันนี้มีตัวไม่มีทในก็เห็นใจไหมใจมรู้ได้เป็นยังไงรู้สงสัยว่าเรามีใจหรือเปล่าสงสัยนะว่าเรามีใจหรือเปล่ า, ใ จ, าใจคือความรู้สึกเรื่องคิดใจคือความรู้สึกเรื่องคิดได้ในกายแต่ใจกับความคิดมี่คนละอันนะ ใจก่อนใ จ, จเป็นแค่พูดแล้วรู้แต่ความคิดเนี่ยคือสิ่งที่จ่อรู้แต่งเป็นงั้นะสักอย่างนึ่งเลยเราให้คิดอยู่ก่อนไอ้ที่ใหคิดอยู่ก่อนอะคือความรู้สึกทางจิตใจแต่เดี๋ยวความคิดกรุงแต่งจอไปจ่อมาอะไอ้เนี่ยคือความคิ ด, เ ร, ววคดเรียกว่าอารมณ์กันนะนะมันอยู่ด้วยกันนะแต่บันทําหน้าที่ต่างกันใจหน้าที่รู้เฉยๆแต่การปรุงแต่งให้ค่าสมดเนี่ย มันคือความคิดซึ่งไม่ใช่ใจมันมาที่หลังเป็นแก่ตอนแก่เก่าๆนะมันเดินมาหลอกความมันเดินเนี่ยความคิดอยู่แคสติของมันจะเลิกแลมันเห็นนะมันเห็นเห็นอาการของจิตที่มันแสดงการคิดการรูแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยเวลามันขึ้นกุมมันจะเข้าอยู่ในความคิดเขาเข้าอยู่ในความคิดว่าความคิดจะเป็นตัวของเรา แเราก็ทำตามความคิดคนที่ตากสติเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในศาลาไม่เห็นศล า, าคิดว่าเราอยู่โซนหนึ่งของศล า, าแต่ถ้าคนรู้สติเนี่ยเท่ากับออกไปนอกศาลามองก็ไม่เห็นศาลาทั้งหมดเลยจิตกเหนกันเมื่อมีสติปั๊บเนี่ยจิตมันจะเห็นความคิดแต่ไม่ได้เข้าถึงความคิดการเห็นเนี่ยเห็นแบบเป็นผู้ดูไม่เห็นเรตาเห็นด้วยองจิตเป็สัมผัสเห็นความคิด อ๋อเจ้าความคิดเนี่ยใ น, นต้นของอัญหาเลยเวลาเราคิดอยากขึ้นมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นความคิดแล้วก็ทําตามความอยากพอทำตามความอยากแล้มว ม, มันก็จะมีผลการกระทำจะเป็นการสร้างเหตนะุเป็นกรรมเลยนะทําดีมันก็เป็นกรรมดีทําไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีผลอว่เป็นผลดีหรือไม่ดีส่งผลเช่นสมมติว่าเราอยากดูละครสักเรื่อง อยากดูละวัลที่มันเราก็ดูต่างความอยากพอดูแล้วความอยากมันก็หายนะเนี่ยละครจบตอนนั้นมีผลมาคิดอยากก็บีตอนสองโคจมันกิดที่มันก็เกิดความอยากอยู่แล้วก็ดูแล้วผลออกมาคือมันจะดูมันดูอีกตอเพราะเราไมได้เห็นความอยากเห็นความคิดความอยากกับความคิดก็ดูต่อไปเนีชยจนกว่าจบ เราไม่อยากไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นความโกรธเราขาสติเขาอยู่ในความโกรธเลยความโกรธเป็นเราเราเป็นผู้โกรธแล้วก็ต้องทําตามความโกรธต้องรีบไปต่อว่าเจะมันจะหายโกรไม่ใไปต้องไปต่อว่าถ้าอยู่จะนิดนึงเออโกรธเลยดูเฉยเดี๋ยวมันก็หายนะแต่ไม่ได้หายต้องรีบไปต่อว่าเดี๋มันไม่จบคอ มันเป็นผลออกมาเ<า>พราะผลออกมาดิบรรทราบใจที่ไม่ดีที่จะต้องเกิกดความโกรธต้องทำอีกครนะแต่ในในในไม่ใส่ดีผมก็เกิกดความโกรธต่อว่าวาจาถ้าไม่พอใจหนะักทำได้โดยรางกายแล้วมันก็มีผลมีผลออกมาแล้วดีหรือไม่ดีสมมติจะไม่ดีตามคามลไม่ดีแล้วก็เกิดความในดีที่จะท่งองทําตามความโกริกั้ เราไม่เคยตัด ก, กระแสเวลากโกรธไม่ทําตามความโกรธผลก็จะไม่เกิดขึ้นเราไม่เคยตัด ก, กระแสเพราะเราไม่เห็นความโกรธไม่เห็นความคิดหลงเนี่ยว่าขาสดสตินะนิสัยเราก็ต้องเป็นความคิ ด, คดที่ทำทีเรื่อยเกิดความอยากก็ทําตามความอยากเกิดความโกรธก็ทำตามความโกมรธพอมาแล้กกวเราทำอีกเรื่อยจนตายเราไม่รู้สวยนี้แต่ถ้าเราเป็นสติปั๊บจะสติไปเรื่อย เห็นความอยากเห็นความโกรธทุกงขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เห็นเนี่ยสิ่งนั้นก็จะสลายเดี๋ยวน้อยมันหนึบชะงักนะเวลาเกิดความโกรธเห็นมันโกรธบ้างเนี่ยความโกรธจะไม่มุนแรงเห็นวคนที่เราโกรธแล้วเนี่ยดูที่ความโกรธในตัวเราจะไม่รุนแรงแต่ถ้าดูว่าดูคนอื่นไม่ดูความโกรธแล้วดูคนอื่นคนที่ทำให้เราโกรธทําไมกําเนิดนั้นไม่ล่าเลย มันก็เติมจะให้ความปวดมันกตุกรแหวกเพราเราถูกเสมอมันจะรุนแงเพราถูกก็เป็นทุกข์มากเอาเหตเอาผลเขาไม่ได้นั้นจิงไม่ทำไม่ถูกต้องเอาเหตเอาเห็นความปวดกรุนแรงถ้าปักมานความปวดในจิตใจเนี่ยเขาจะไม่รนแรงเขาเห็นเขาเห็นความปวดมันจะไม่ร hey, ุนทีนี้มันก็จะใก้ใกเสมอท่ากับว่าเห็นปัมันอยู่ชนักเลย ผมเคยเกิดความผิดปรุงแต่งมากมายสมัยก่อนมีความผู้คิดเกิดความแห่ความใจเนี่ยพอเจอสถิตตรงเนี้ยพอเห็นปั้มเนี่ยโอ้แต่น้ำมาภาดเลยนะไอความผิดน้ำมาภาพดหยุดเลยอ๋อนี่น้ำมาภาดของติดมันก็เป็นอย่างนี้เองนะน้ำมาภาพของการเคลื่อนไหวได้ไม่ได้เ้ำมาภาดของติดเี่มันก็หยุดชนะตื่นล้มละลายเสติมันมีคุณภาพแบบนี้ยถ้าพอเจริญขึ้นมาเนี่ยมันมีสมาธิสนับสนน มันจะเด่นในจิตในใจเราอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เด็นมันก็เด็นมันเข้ามาแทนที่อารมณ์เมื่อมีสติมีความรู้ตัวความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีความคิดปรุงแต่งสติมันก็ไม่เกิดนะเน่ยมันก็อีกอยเนี่ยเนี่ยผมนั่งอยู่ใครก็จะมานั่งต้อผมไม่ได้ถ้าใครมานั่งผมก็จะห้ามยกมือห้ามติดเคร่งมือกั น, กนถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอ ในการเ ค, คลื่อนไหวเวลามันคิดเราก็รู้สึกเวลามันเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกถ้่ากับเป็นการจองจิตจองใจรัตสติสติก็รักษาอยู่ทีเป็นปกติอารมณ์ตาความโลดความโกรธความหลงอิจฉาเสียดายหัวหมุนหวาดระแวงมือกระเท้ามันเข้าไม่ได้ถ้าเราสติความจิตความใจไปแล้วอันนี้เป็นพธรรมชาติเมื่อสติ ควบคุมติตดีแล้วจีตมันก็จะเป็นปกติซึ่งความปกติของจิตเนี่ยมันมีอยู่ก่อนนะเพียงแต่ถ้าเราไปสติสมาธิเนี่ยอารต่างๆก็จะเข้าปูดแก่ไม่ได้การปูงแต่ถ้าไม่จิตเนี่ยมันไม่ผ่องใสปูงในส่วนดีมันก็ไม่ผ่องใสละมันก็ดีมันก็มันก็ในส่วนดีที่ประสงค์จะยังไม่ถ่องใสต้องที่ที่เป็นปกติพ้นจากการปูดแต่ ที่ะของใสเขาเรียกว่าปลากับตัวเองทุกคนค ม, คมนคีอยู่แล้วความของใสความเปิดัากนิมีอยู่แล้วแต่ไม่ ม, ไมีโ อ, อ, อกา ส, ส, ส, ส, ส, าสากปลากับตัวขึ้นมาเราก็จะคิดตร้งแตงต่อเติมเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ตูกแตงเลิกโดยมีความรู้สึกตัวเฉยๆรู้ยใช้สบายๆเพราะว่ความของใสมันก็จะปลากับตัวขึ้นนะ มันกลางตัวคุณเราไม่ได้ไปหาที่ไหนอันนี้เป็นการเจิญสติที่ทําให้เกิดสมาธิแล้วทาให้เกิดปัญญาเนี่ยมันเดินปัญญานะทุกครั้งที่เรามีสติมีความรู้ตัวศีลนีโครสีสลสทัทธิไม่เสตินะถ้ากาบกระเปน ส, สีมันก็ไม่เรลือไหมสีลสัทธิไม่เปสติเมื่อมีสติแล้วสมาธิก็เกิด และว่ามีปัญญามีความรู้ตัวทด้องศรษสมาธิปัญญาคุณธรรมทั้งหลายนะั้นเกิดขึ้นในโัสตินะัเป็นส่วนรวมของความดีรวมของคุณธรรมนนัะ่นเองเพราะฉะนั้นตัวเดียวเลยราจะสามารถเดินปัญญานะเป็นวิปนะัสสนาเศีษฐสมาธิปัญญาเป็นวิปัสสนาเพียงแค่มีสติรู้รู้ตัวเท่านะั้นเป็นวิปัสสนาเป็นรูปธรรมไม่ใช่คิดเอาทำได้ในปฏิมา เรูต้องไทำไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นการเป็นแบบที่แบบง่ายความห่องสายท้องผิดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่เอาทุกหน่วยใจออก